พระไตรปิฎกเล่มที่เก้าพระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งที่ข้านิกายสิลขันธวัคพ ร, ระสูตรที่สามอัมพัทสูตรว่าด้วยชายหนุ่มชื่ออัมพัททะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสเด็จจาริกไปแคว้นโคศนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ5้าร้อยรูปเสเด็จถึงหมู่บ้านปรามชาวโกศลชื่ออิศานังคละคามประทับอยู่าราวป่า อิจฉานังคละวันใกล้อิจฉานังคละคามเรื่องพระรามปกครองสติสมัยนั้นพระรามปกครอสาติปกครองเมืองปุ ก, กันทะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชศัพย์ที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นโรมาไทยคือส่วนพิเศษ พราหมณ์โภคาระสติได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคโดมเป็นศักยบุตรเสด็จออกผนวดจากศักยะตระกูลเสด็จเจ้าเล็กอยู่ในแคว้นโคศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเสด็จถึงอิจฉานังคละคามโดยลำดับประทับอยู่หน้าราวป่าอิจฉานังคละวันใกล้อิจฉานังคละคามท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้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 ละหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถฐและพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงเรื่องอัมพัทธมานพ เวลานั้นอัมพัทมานพู้เป็นศิษย์ของพระรณ์โภคราส า, าติเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันดุศาสต์เกตุส菩萨อักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทละวยากน์ชำนาญโลกายต า, าตศาสตร์และการทํานาลักษณะมหาบุรุษสําหรับส่วนนี้เป็นศาสตร์ว่าด้วยลักษณะของบุคคลสําคัญมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันมีอยู่ในคำภี์พราหมณ์ซึ่งเรียกว่ามน เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยผู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธมนต์มีอยู่หนึ่งพันคาถาอาจารย์ยกย่องและตัวเขาก็ยอมรับในวิชาสามประการอันเป็นของอาจารย์ของตนว่ารู้เท่ากันกับที่อาจารย์รู้ครั้งนั้นปราหมณ์ปครอสาติเรียกอัมพัทธรมนกมาบอกว่าอัมพัทท่านพระสมณโคโดมพระองค์นี้เป็นสักยบุตร เสด็จออกผนวชจากสักยะตรกูลเสด็จจาวริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ประมาณ500ร้อรูปเสด็จถึงอิจฉานังคละคามโดยลำดับประทับอยู่นร า, าวป่าอิจฉานังคละวันใกล้อิจฉานังคละคามและได้กล่าวถึงพุทธคุณดังบทข้างต้นจนมาถึงประโยคที่ว่าการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงมาเถิดพ่ออัมพัธมานก เธอจงไปเฝ้าท่านพระสมณะโคดมถึงที่ประทับคร well ั้นแล้วจงรู้จักพระสมณะโคดมให้ได้พวกเราจะได้รู้จักท่านพระโคดมว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อภัพธมโนภเรียนถามว่าท่านขอรับทำอย่างไรผมจึงจะรู้จักท่านพระโคดมว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเช่นนั้น จริงหรือไม่ท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่พรามปกราสาติตอบว่าพออัมพัทะพระมหาบุรุษประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษส2ประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพัทธผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วคือรัตนะเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกะหะบดีแก้วปรินายกแก้วมีราชบุตรมากกว่า 1,000 พันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรขสัตย์สามารถย่ำยีราชศัต ร, รูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาหรือศัตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเราเป็นผู้ให้มนแต่เธอเป็นผู้รับมน อัพัทถมานพรับคำแล้วลุกจากที่นั่งไหวปราปโกรสรสติกระทำประทักษิณและขึ้นยานพาหนะเทียมลาไปพร้อมด้วยมานพหลายคนตรงไปยังราวป่าอิจฉานังคละวันจนสุดทางยานพาหนะแล้วลงจากยานพาหนะเดินเข้าไปยังพระอารามเวลานั้นภิกษุหลายรูปกำลังเดินจงกรมอยู่กลางแจ้งอัมพัทธมานพเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น ถึงที่จงกรมแล้วถามว่าท่านขอรับเวลานี้ท่านพระโคโดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพวกเรามาที่นี้ก็เพื่อจะเฝ้าท่านพระโคโดมพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นคิดว่าอัมพัทธมานพคนนี้เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นสิทธิของพรามงค์โกครอสาติผู้โด่งดังพระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับกุลบุตรเช่นนี้จะไม่หนักพระไทยจึงตอบว่า อัมพัทธะนั้นพระวิหารปิดประตูอยู่ท่านจงเข้าไปทางพระวิหารนั้นเงียบๆค่อยๆเข้าไปที่เฉลียงกระแอมก่อนจึงเคาะบานประตูพระผู้มีพระภาคจับทรงเปิดประตูให้ท่านต่อมาอัมพัทธมานพเข้าไปทางพระวิหารนั้นเงียบๆค่อยๆเข้าไปที่เฉลียงกระแอมก่อนจึงเคาะบานประตูพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูให้ อัมพัทธมานพจึงเข้าไปฝ่ายพวกมานพก็พากันเข้าไปสนทนากับพระผู้มีพระภาคครั้นสนทนากันพอคุ้นเคยดีจึงนั่งลงณที่สมควรแต่อัมพัธมานพเดินบ้างยืนบ้างสนทนากับพระผู้มีพระภาคผู้ประทับนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามอัมพัทธมานพว่าอัมพัทธเธอเคยสนทนากับพระผู้แก่ผู้เฒ่า ผู้เป็นอาจารย์และปาอาจารย์เหมือนดังที่เธอเดินบ้างยืนบ้างสนทนากับเราผู้นั่งอยู่เช่นนี้หรืออัมพัทธมานกตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระครัวดมแท้จริงพรามผู้เดินก็ควรสนทนากับพรามผู้เดินพรามผู้ยืนก็ควรสนทนากับพรามผู้ยืนพรามผู้นั่งก็ควรสนทนากับพรามผู้นั่งพรามผู้นอนก็ควรสนทนากับพรามผู้นอน แต่ข้าพเจ้ากำลังสนทนากับสมณะศีษะโล้นผู้เป็นคนรับใช้เป็นคนวันหนต่ำคือกันหโัโคตเกิดจากพระบาทของเท้ามหาพรหมเหมือนท่านพระโคดมตังหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธะเธอมาที่นี่เพราะมีธุระก็ควรตระหนักถึงธุระนั้นไว้ให้ดีท่านทั้งหลายอัมพัทธมานพนี้ไม่ได้รับการอบรม แต่สําคัญตนว่าได้รับการอบรมมาดีไม่มีอะไรเลยนอกจากมารยาทของคนที่ไม่ได้รับการอบรมทันทีที่ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคนไม่ได้รับการอบรมอัมพัทธรรมนพก็โกรธเคืองไม่พอใจเมื่อจะข่มขู่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะว่าร้ายพระผู้มีพระภาคคิดว่าเราจะทําให้พระสมณะโคดมเสียหาย จึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโกดมคนชาติสักยะดุร้ายหยาบช้าวูวามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกรามการที่คนชาติสักยะซึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดแพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกราม เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี่เป็นครั้งที่หนึ่งที่อัมพัธรรมนพพูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัมพัทพวกเจ้าสักยะได้ทำผิดอะไรต่อเธอเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางไปกรุงกบิลพัตด้วยธุระของพร์อภระสาติผู้เป็นอาจารย์ เข้าไปที่ท้องพระโรงของพวกสักยะเวลานั้นพวกสักยะและสักยะมานจำนวนมากกำลังนั่งใช้นิ้วมือสะ ก, กิดหยอกล้อกันอยู่บนอาสนะสูงในท้องพระโรงเห็นจะหัวเราะเยาะข้าพเจ้าเป็นแน่ไม่มีใครเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้านั่งเลยพันพราโคโดมการที่คนชาติสักยะซึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักก า, าระเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพาม เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี่เป็นครั้งที่สองที่อัมพัธรรมนพพูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทะแม้นางนกไส้ยังพูดได้ตามปรารถนาในรังของตนก็นั่นกรุงกบิลพัทเป็นทินของพวกสักยะท่านอัมพัทะไม่น่าจะกินแหนงแคลงใจเพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้เขากล่าวว่า ท่านพระโคดมวันณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรในวันณะทั้งสี่นี้แท้จริงแล้วสามวันณะคือกษัตริย์แพทย์สูตรเป็นคนบำเรอของพราหม์การที่คนชาติศักยะซึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมศักดิระเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหม์เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี่เป็นครั้งที่สาม ที่อัมพัทธมานพพูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าอัมพัทธมานนนี้ชอบเยียวยามพวกสักยะรุนแรงว่าเป็นคนรับใช้ทางที่ดีเราควรถามถึงตระกูลดูบ้างจึงตรัสถามว่าอัมพัท ธ, ธเธอมีตระกูลหรือโคดอย่างไรเขาทูลตอบว่า พันพระโคโดมข้าพระเจ้าคือกันหายนัตระกูลหรือกันหายนะโคดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัททะเมื่อเธอระลึกถึงตระกูลเก่าแก่ของบิดามารดาของเธอดูจะรู้ว่าพวกสักยะเป็นลูกเจ้าแต่เธอเป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกศักยะก็พวกสักยะพากันอ้างถึงพระเจ้าอกากาการาชว่าเป็นบรรพบรุษของตน อัมพัททะเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าอบกากราชมีพระประสงค์จะพระราชทานพระราชสมบัติแก่พระโอรสของพระมเหสีผู้เป็นที่โปรดปรานจึงรับสั่งให้เนรเทศพระราชกุมารทั้งสี่พระองค์คือพระอุกกามุขราชกุมารพระก่อนกันพุราชกุมารพระหัตถินิกราชกุมารพระสินีปุราราชกุมาร ออกจากราชอาณาเขตพระราชกุ ม, มารเหล่านั้นถูกเนรเทศออกจากราชอาณาเขตแล้วก็เสด็จออกไปอาศัยอยู่ณราวป่าไม้สากาใหญ่ริมฝั่งสะบกคารนีเชิงภูเขาอิ ม, มะพานทรงอยู่ร่วมเป็นสามีพัญญากับพระภักตรนีของพระองค์เองเพราะเกรงพระชาติจะปนกับผู้อื่นต่อมาพระเจ้าอกากาการาชตรัสถามูอมารราชบริพานว่า เวลานี้พวกกุมารอยู่ที่ไหนพวกอมาตะราชบริพารกราบทูลว่าขอเดชะเวลานี้พระราชกุมารพมนักอยู่นาราวป่าไม้สากะใหญ่ริมฝั่งสะบกกรณีเชิงภูเขาหิ ม, มพานทรงอยู่ร่วมเป็นสามีพัญญากับพระพัินีของพระองค์เองเพราะเกรงพระชาติจะปนกับผู้อื่นพระเจ้าอกากากราจึงทรงแปล่งพระอุทานว่า ท่านทั้งหลายพวกกุมารมีความสามารถในวงเล็บสักยะพวกกุมารมีความสามารถยอดเยี่ยมในวงเล็บบรมมสักยะพวกที่ชื่อว่าสักยะได้เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและพระเจ้าอกากากราชพระองค์นั้นก็คือบรรพบบุรุษของพวกสักยะพระเจ้าอกากากราชมีหญิงรับใช้คนหนึ่งชื่อทิสา นางคลอดลูกชายคนหนึ่งชื่อกันหักันหัพอเกิดมาก็พูดว่าแม่จงล้างฉันจงให้ฉันอาบน้ำจนปลดเปลื้องฉันจากสิ่งโสโครกนี้ฉันเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่แม่มนุษย์สมัยนั้นเรียกปีศาจว่ากันหัหมายถึงพวกดาเหมือนกับที่มนุษย์สมัยนี้เรียกผีว่าปีศาจมนุษย์เหล่านั้นกล่าวกันว่า เด็กคนนี้พอเกิดมาก็พูดได้เลยกันหะเกิดแล้วปีศาจเกิดแล้วพวกที่ชื่อว่ากันหายนะได้เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วเด็กกันหานั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะอัมพัทธะเมื่อเธอระลึกถึงตระกูลเก่าแก่ของบิดามารดาของเธอจะรู้ว่าพวกสักยะเป็นลูกเจ้าแต่เธอ เป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกศักยะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นมานพเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมอย่าเยยดยามอัมพัธมานพรุนแรงว่าเป็นลูกของหญิงรับใช้เลยอัมพัทธมานพมีชาติตระกูลดีเป็นลูกผู้มีตระกูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโตตอบ ท่านพระโคดดมได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพวกมานพเหล่านั้นว่ามานพถ้าพวกเธอคิดว่าอัมพัธมานพมีชาติตระกูลต่ำไม่ใช่ลูกผู้มีตระกูลศึกษามาน้อยพูดไม่เพราะโง่เขลาและไม่สามารถเจราจาโต้ตอบกับเราได้อัมพัธมานพจงหยุดพวกเธอจงเจราจาโตตอบกับเราแทน แต่หากพวกเธอคิดว่าอัมพัทมานพมีชาติตระคูลดีเป็นลูกผู้มีระคูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโต้ตอบกับท่านพระโคดมได้พวกเธอก็จงหยุดอัมพัทมานพก็จงเจรจาโต้ตอบกับเราต่อไปมานพเหล่านั้นกราบทูลว่าท่านพระโคดมอัมพัทมานพมีชาติระคูลดีเป็นลูกผู้มีระคูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาด และสามารถเจราจาโต้ตอบกับท่านพระโคโดมได้พวกข้าพเจ้าจาักหยุดนิ่งอัมพัทธมานพจงเจราจาโต้ตอบกับท่านพระโคโดมต่อไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับอัมพัทธมานพว่าอัมพัททะปัญหาอันชอบทำข้อนี้ย่อมมาถึงเธอเธอแม้ไม่ต้องการก็จะต้องตอบเพราะถ้าไม่ตอบขืนพูดกลบเกลื่อน นิ่งเสียหรือจากไปเสียศีสะของเธอจะแตกเป็นเจ็ดเสียงณนะที่นี้แหละอัมพัททะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยได้ฟังพวกรามผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และปาอาจารย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดจากใครก่อนใครคือบรรพบรุษของพวกกันหายนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรถามอย่างนี้อัมพัทมานพได้นิ่งเฉย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สองอัมพัธมานพ ก, ก็ยังคงนิ่งเฉยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอัมพัทธ์เธอจงตอบเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะนิ่งเฉยเพราะผู้ที่ถูกตรถากฏถามปัญหาอันชอบรร ม, มถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แหละ ขณะนั้นยักษ์วชิระปานีถือค้อนเหล็กใหญ่มีไฟลุกโชช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนอัมพัทธานบคิดว่าหากอัมพัธมานบนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบธรรมถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แหละพระผู้มีพระภาคและอัมพัธมามนพเท่านั้นที่มองเห็นยักษ์วชิระปานีตนนั้น เวลานั้นอัมพัทธรรนพตกใจกลัวจนขนพองสยองกล้าวจึงเข้าไปใกล้มุ่งหมายให้พระผู้มีพระภาคเป็นที่ปกป้องเป็นที่คุ้มครองและเป็นที่ยึดเหนียวทูลถามว่าท่านพระโคโดมตรัสอะไรโปรดตรัสอีกครั้งเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรเธอเคยได้ฟังพวกรามผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้เป็นอาจารย์และป่าจารย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดจากใครก่อนใครคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะอัมพัทมะโนกราบทูลว่าท่านพระโคดมข้าพระเจ้าได้ฟังมาเหมือนกับที่ท่านพระโคดมตรัสนั้นแหละพวกกันหายนะเกิดมาจากนายกัญหานั้นก่อนนายกัญหานั้นคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะ เมื่ออมพัฒมานกกราบทูลอย่างนี้พวกมานพได้ส่งเสียงอื้อเอิญเซงแซ่ว่าได้ทราบว่าอมพัฒมานกมีชาติตระคูลตำ่ำไม่ใช่ลูกผู้มีระูลเป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกสักยะได้ทราบว่าพวกสักยะเป็นโอรสของเจ้านายของอมพัฒมานกพวกเรากลับเข้าใจท่านพระสมณะโคดมผู้เป็นธรรมวาทีว่าควรถูกรุกราน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริอย่างนี้ว่ามานพเหล่านี้เหยียดหยามอัมพัทถมานพรุนแรงว่าเป็นลูกของหญิงรับใช้ทางที่ดีเราควรช่วยปลดเปลื้องจึงตรัสกับมานพเหล่านั้นว่ามานพพวกเธออย่าเหยียดหยามอัมพัธถมานพรุนแรงว่าเป็นลูกของหญิงรับใช้เลยเพราะนายกันหานั้นต่อมาและเป็นฤาษีคนสาคัญ เดินทางไปยังทักคินาชนบทเรียนพรมมานตราแล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าโอกกาการาชกราบทูลขอพระราชธิดาพระนามว่ามันทรูปีพระเจ้าโอกกาการาชทรงกลิ้วไม่พอพระทยัยตรัสว่าเจ้าคนนี้มันใครกันก็แค่ลูกของหญิงรับใช้จะมาขอมันทรูปีธิดาของข้าได้จึงทรงขึ้นพระแสงสอนแต่ไม่อาจจะทรงแผลงสอน ทั้งไม่อาจลดสอนลงได้ทันใดนั้นหมู่อมารอาราชบริพารเข้าไปหากันหาฤาษีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระเจ้าอยู่หัวทรงจงพระเจริญฤษีกล่าวว่าพระราชาจะทรงพระเจริญแต่ถ้าพระราชาจะทรงแผลงสอนลงไปเบื้องต่ำแผ่นดินจะสุดทั่วพระราชอาณาเขต หมูอ่อมมาราชบริพานกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญขอให้บ้านเมืองจงมีความปลอดภัยฤษีกล่าวว่าพระราชาจะทรงพระเจริญบ้านเมืองก็จะมีความปลอดภัยแต่ถ้าพระราชาจะทรงแผลงสอนขึ้นไปข้างบนฝนจะไม่ตกทั่วพระราชอาณาเขตตลอดเจ็ดปี หมู่อมาน ร, ราชบริพารกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญขอให้บ้านเมืองจงมีความปลอดภัยขอให้ฝนจงตกตามฤ ด, ดูกาลฤาษีกล่าวว่าพระราชาจะทรงพระเจริญบ้านเมืองจะมีความปลอดภัยฝนก็จะตกตามฤ ด, ดูกาลก็ต่อเมื่อพระราชาจะทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ ด้วยมุ่งพระไถยว่าพระราชกุมารจะมีความเจริญจะหายจากความหวาดผวาหมู่อมารราชบริพารกราบทูลพระเจ้าอกกากราชว่าขอพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ด้วยมุ่งพระไทยว่าพระราชกุมารจะมีความเจริญจะหายจากความหวาดผวาพระเจ้าอกกากราช จึงทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่พระราชกุมารก็ทรงเป็นผู้มีความเจริญหายจากความหวาดภวาพระเจ้าอกากก ร, ราชทรงตกพระไทยหวาดกลัวพระโลมมาชาชูชันถูกข่มขู่ด้วยโพรมาทันจึงได้พระราชทานพระนางมันทรูปีราชธิดาแก่ฤาษีนั้นไปมานพพวกเธออย่าเหยียดยามอัมพัทมานพรุนแรง ว่าเป็นลูกของหญิงรับใช้เลยเพราะนายกันหานั้นได้เป็นฤษีคนสำคัญมาแล้วความเป็นกษัตริย์ประเสริฐที่สุดลำดับนั้นพระภูมิพระภาครัดกับอัมพัทมานกว่าอัมพัททะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรขติยากุมารในโลกนี้อยู่ร่วมกับนางพรามณกกันหาจนมีบุตร บุตรที่เกิดจากนามพรามนักกันหากับขติยากุมารควรจะได้นั่งร่วมกันหรือกินดื่มร่วมกันกับพวกพรามบ้างหรือไม่เขากราบทูลว่าควรจะได้ท่านพระโคโดมพรามควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายงานมงคลงานยันพิธีหรืองานเลี้ยงแขกเรือบ้างหรือไม่ควรเชิญใหมาบริโภค พ, พรามควรจะบอกมนใหเขาหรือไม่ ควรจะบอกเขาควรถูกห้ามเกี่ยวข้องกับสตรีหรือไม่ไม่ควรถูกห้ามเขาควรจะได้รับอภิเสกเป็นกษัตริย์หรือไม่ไม่ควรจะได้รับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่บริสุทธิ์ข้างมารดาอัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรรมามณกุมารในโลกนี้อยู่ร่วมกับนางคติยะกัญญาจนมีบุตร บุตรที่เกิดจากนางคติยะกัญญากับพราหมณกุมารควรจะได้นั่งร่วมกันหรือกินดื่มร่วมกันกับพวกพรามณบ้างหรือไม่เขาตอบว่าควรจะได้ท่านพระโคดมพราหมณ์ควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายงานมงคลงานยันพิธีหรืองานเลี้ยงแขกเรือบ้างหรือไม่ตอบว่าควรเชิญให้มาบริโภคพราหม์ควรจะบอกโมนใหเขาหรือไม่ตอบว่าควรจะบอก เขาควรถูกห้ามเกี่ยวข้องกับสตรีหรือไม่ตอบว่าไม่ควรถูกห้ามเขาควรจะได้รับอภิเศกเป็นกษัตริย์หรือไม่อัมพัทธมานพตอบว่าไม่ควรจะได้รับข้อนั้นเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเขาไม่บริสุทธิ์ข้างบิดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัททะเมื่อเทียบหญิงกับหญิงเทียบชายกับชายกษัตริย์พวกเดียวเท่านั้น ที่จัดว่าประเสริฐพรามจัดว่าต่ํากว่าเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพวกพรามในโลกนี้โกนศีรษะพรามคนหนึ่งแล้วหมอมด้วยเท่าในประเทศออกจากแว่นแควนรู้จักเมืองพราะความผิดบางอย่างพรามคนนั้นควรจะได้นั่งร่วมกันหรือกินดื่มร่วมกันกับพวกพรามบ้างหรือไม่ตอบว่าไม่ควรได้ท่านพระขวดม พรามควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายงานมงคลงานยันพิธีหรืองานเลี้ยงแขกเรือบ้างหรือไม่ตอบว่าไม่ควรเชิญให้มาบริโภคพรามควรจะบอกมนให้เข้าหรือไม่ไม่ควรบอกเขาควรถูกห้ามเกี่ยวข้องกับสตรีหรือไม่ตอบว่าควรถูกห้ามอัมพัทฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพวกกษัตริย์ในโลกนี้ ลงพระเกศากษัตริย์องค์หนึ่งแล้วหม่อมด้วยเท่าในรเทศออกจากแว่นแควนรู้จักเมืองเพราะความผิดบางอย่างกษัตริย์องค์นั้นควรจะได้นั่งร่วมกันหรือกินดื่มร่วมกันกับพวกพรามบ้างหรือไม่ตอบว่าควรจะได้ท่านพระโคดมพราบควรจะเชิญให้มาบริโภกในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายงานมงคลงานยันพิธีหรืองานเลี้ยงแขกเรือบ้างหรือไม่ ตอบว่าควรเชิญให้มาบริโภคพระามควรจะบอกมนให้เข้าหรือไม่ตอบว่าควรจะบอกเขาควรถูกห้ามเกี่ยวข้องกับสตรีหรือไม่ตอบว่าไม่ควรถูกห้ามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธกษัตริย์ที่ถูกกษัตริย์ด้วยกันปรงพระเกศามอมด้วยเท้าและเนรเทศออกจากแวดแคลนหรือจากเมืองชื่อว่าเป็นผู้ถึงความตกต่าอย่างยิ่ง กษัตริย์เมื่อถึงความตกต่ำอย่างยิ่งเช่นนี้ก็ยังจัดว่าประเสริฐอยู่พรามต่างหากที่ยังต่ำกว่าสมดังคาถาที่สนังกุมารพรมกล่าวไว้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์อัมพัทะ สนังกุมารพรมกล่าวคถานั้นไว้ชอบไม่ใช่ไม่ชอบกล่าวไว้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เราเห็นด้วยทีเดียวแม้เราก็กล่าวอย่างเดียวกันนี้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ เรื่องวิชาและเจรณะอัมพัฏมานบทูลถามว่าท่านพระโคโดมก็เจรณะนั้นเป็นอย่างไรวิชานั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอัมพัททะในวิชาสมบัติและเจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมเขาไม่อ้างชาติไม่อ้างตระกูลหรือไม่อ้างความถือตัวว่าท่านคู่ควรกับเราหรือท่านไม่คู่ควรกับเรา แต่ในที่ที่มีอววาหะมงคลวิวาหะมงคลหรืออววาหมงคลและวิวาหะมงคลเขาจึงอ้างชาติอ้างตระกูลหรืออ้างความถือตัวว่าท่านคู่ควรกับเราหรือท่านไม่คู่ควรกับเราอัมพัทธ์ชนที่ยึดติดเพราะอ้างชาติยึดติดเพราะอ้างตระกูลยึดติดเพราะอ้างความถือตัว หรือยึดติดอยู่กับอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลชื่อว่ายังอยู่ห่างไกลจากวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมอัมพัทธะการทำให้แจ้งวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมย่อมมีได้เพราะละการยึดติดเพราะอ้างชาติการยึดติดเพราะอ้างตระกูลการยึดติดเพราะอ้างความถือตัว และการยึดติดอยู่กับอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลแล้วเท่านั้นอังพัฒมานบทูลถามว่าท่านพระโคดมจรณะนั้นเป็นอย่างไรวิชานั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัรสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ หมายเหตุตรงส่วนนี้ได้กล่าวถึงพุทธคุณของพระพุทธองค์ทั้งหมดตามเนื้อหาในสามัญญพลสูตรโดยเพิ่มจุลศีลมัชิมศีลและมหาศีลอินเียสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษการละนิวร์อุปมาณิวรห้าเข้ามาด้วยภิกษุนั้นสงัดจาักกามและอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ข้อนี้จัดเป็นจรณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นยังมีอีกอัมพัระเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ข้อนี้จัดเป็นจรณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้น ยังมีอีกอัมพตทะเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขข้อนี้จัดเป็นจรณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นยังมีอีกอัมพตทะเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัและโทมนะ ด, ดับไปก่อนแล้ว ภิกษุบรรลุจตุตถะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริบูรณ์พระอุเบกขาอยู่ข้อนี้จัดเป็นจรณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดพ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อยาทัทสนะข้อนี้จัดเป็นวิชาอย่างหนึ่งของภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดพ่องรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรงมจันทร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้อนี้จัดเป็นวิชาอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นสำหรับข้อความทั้งหมดความเต็มเหมือนในสามัญญพลละสูตรอัมพัทธะที่แสดงมาทั้งหมดนี้จัดเป็นวิชาอัมพัทะ ภิกษุผู้ปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาบ้างว่าผู้เพียรพร้อมด้วยเจรณะบ้างว่าผู้เพีย บ, รยรบพยบร้อมด้วยวิชาและเจรณะบ้างอัมพัทธ์วิชาสมบัติและเจรณะสมบัติอย่างอื่นซึ่งเหนือกว่าและประณีตกว่าวิชาสมบัติและเจรณะสมบัตินี้ไม่มีอีกแล้ว ทางเสื่อมสี่ประการแห่งวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอัมพัทธวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้มีทางเสื่อมอยู่สี่ประการสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสมณะหรือพราะ บ, บางคนในโลกนี้เมื่ อ, อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้จึงหาอิวบริขารดาบดเข้าไปสู่ราวาด้วยตั้งใจว่า จากบริโภคผลไม้หล่นเขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้ข้อนี้เป็นทางเสื่อมประการที่หนึ่งแห่งวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยม 2. อ, อีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพราะบางคนในโลกนี้เมื่อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ทั้งไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ จึงถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราวปา่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคเง่ารากและผลไม้เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้ข้อนี้เป็นทางเสื่อมประการที่สองแห่งวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยม 3. อีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพรา์บางคนในโลกนี้ เมื่อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ทั้งไม่สามารถจะหาเงารากและผลไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมและบูชาไฟอยู่เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้ข้อนี้เป็นทางเสื่อมประการที่สแห่งวิชาสมบัติ และจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยม 4. อีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพรา์บางคนในโลกนี้เมื่ออย่างเมบรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ไม่สามารถหาเง่ารากและผลไม้บริโภคได้ทั้งไม่สามารถจะบูชาไฟได้จึงสร้างเรือนมีประตูสี่ด้านไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่ง แล้วพักอยู่ด้วยตั้งใจว่าเราจะบูชาท่านผู้ที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่ตามสติกำลังไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะโดยแท้ข้อนี้เป็นทางเสื่อมประการที่สี่แห่งวิชาสมบัติและเจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมอัมพัทธา วิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมมีทางเสื่อมอยู่สีประการนี้แหลอัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอกับอาจารย์ย่อมปรากฏมีในวิชาสมบัติและเจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้บ้างหรือไม่เขากราบถูนว่าไม่ปรากฏมีเลยท่านพระโคดมข้าพเจ้ากับอาจารย์ปฏิบัติไปทางหนึ่ง วิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนั้นอยู่อีกทางหนึ่งข้าพเจ้ากับอาจารย์ยังอยู่ห่างไกลจากวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอกับอาจารย์เมื่อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ก็าหาผิวบริขารดาบดทเข้าไปสู่ราวป่า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 ไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระโคโดมอัมพัททะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอกับอาจารย์ไม่ยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ทั้งไม่สามารถจะหาเงารากและผลไม้บริโภคได้ก็สร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมและบูชาไฟอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระโคโดมอัมพัทะ เธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอกับอาจารย์เมื่อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจุรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ไม่สามารถจะหาเง่ารากและผลไม้บริโภคได้ทั้งไม่สามารถจะบูชาไฟได้ก็สร้างเรือนมีประตูสีด้านไว้ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแล้วพักอยู่ด้วยตั้งใจว่าเราจะบูชาท่านผู้ที่เดินทางมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ตามสติกำลัง ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นสมณะหรือพรามก็ตามอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทะเธอกับอาจารย์เสื่อมจากวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้แล้วและยังเสื่อมเพราะมีทางเสื่อมสี่ประการแห่งวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ด้วย ก็พราหมณ์ปกรสาติผู้เป็นอาจารย์ของเธอได้พูดว่าสมณะล้นบางเหลา่าเป็นคนรับใช้เป็นคนวันนะตำ่ำคือกันหะโคตเกิดจากพระบาทของเท้ามหาพรหมไม่มีประโยชน์เลยที่พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศจะสนทนาด้วยตนเองก็ตกอยู่ในความเสื่อมบำเพ็ญวิชาสมบัติและจรณะสมบัติให้บริบูรณ์ไม่ได้อัมพัทะ เธอจงดูความผิดของพราหมณ์ปกครองติผู้เป็นอาจารย์ของเธอว่ามีเพียงไรฤาษีผู้เป็นบูรพาจารย์อัมพัททะถึงพราหมณ์ปกครองสติปกครองเมืองที่พระเจ้าประเสียนที่โกศลพระราชทานให้พระเจ้าประเสียนที่โกศลก็ยังไม่โปรดให้เขาเข้าเฝาเ้าเฉพาะพระพักเวลาจะทรงปรึกษา ก็ส่งปรึกษานอกพระวิสูตรทำไมเท้าวเธอจึงไม่โปรดให้เขาเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักทั้งๆ ท, ที่เขาได้รับพระราชทานภิษสาหานอันชอบทำเล่าอัมพัทธะเธอจงดูความผิดของพราหมณ์โอคระสาติผู้เป็นอาจารย์ของเธอว่ามีเพียงไรอัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไร พระเจ้าประเสริฐทีโกศลทรงช้างทรงม้าหรือประทับอยู่บนรถพระที่นั่งจะทรงปรึกษาราชกิจบางเรื่องกับมาหาอมาัมมัดหรือพระบรมบวงศานุวงศ์หลาเสด็จจากที่นั้นไปประทับณที่แห่งหนึ่งต่อมาสูตรหรือจันทานพึงมายืนปรึกษาอย่างเดียวกันณที่นั้นว่าพระเจ้าประเรสริฐทีโกศลตรัสอย่างนี้อย่างนี้เขาเพียงพูดได้เหมือนที่พระราชาตรัส หรือปรึกษาได้เหมือนอย่างที่พระราชาทรงปรึกษาด้วยเหตุเพียงเท่านี้จะจัดว่าเขาเป็นพระราชาหรือราชอามาตย์ได้หรือไม่เขากราบทูลว่าไม่ได้เลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัททะเธอก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพวกฤาษีผู้เป็นบูรพาจารของพราหมณ์คือฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะ หรือสีวามเทวะหรือสีเวสามิตหรือสียมาตคิหรือสีอังคีรสหรือสีภารัตวาชะหรือสีวาเสตถะหรือสีกัสสปะหรือสีพรคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่พวกข่าวในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้ บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้เพียงคิดว่าเรากับอาจารย์เรียนมนของท่านเหล่านั้นเธอจักได้ชื่อว่าเป็นฤาษีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีเพราะเหตุเพียงเท่านั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอได้ฟังพราหม์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และปอาจารย์เล่ากันมาอย่างไร พวกฤาษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพระามคือฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมตักคีฤาษีอังคีรสฤาษีพารัตวราชฤาษีวาเสถะฤาษีกัสปะฤาษีพคกคุซึ่งเป็นผู้ปูกมวลบอกมวลที่พวกพรามในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมน์เก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้ บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้ฤาษีเหล่านั้นอาบน้ำทาตัวเรียบร้อยแต่งคมและหนวดประดับพวงดอกไม้นุ่งห่มผ้าขาวบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าเหมือนเธอกับอาจารย์ในเวลานี้หรือไม่เขากราบทูลว่าไม่เหมือนเลยท่านพระครดมฤาษีเหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีที่เก็บกากแล้วมีแกงและกับหลายอย่าง เหมือนเธอกับอาจารย์ในเวลานี้หรือไม่ตอบว่าไม่เหมือนเลยท่านพระโคโดมฤาษีเหล่านั้นบำเรออยู่ด้วยนางงามผู้มีรูปร่างอ่อนช้อยตกแต่งด้วยผ้าโพกศีรษะเหมือนเธอกับอาจารย์ในเวลานี้หรือไม่ไม่เหมือนเลยท่านพระโคโดมฤาษีเหล่านั้นใช้รถเทียมม้าหางตัดใช้ประตักย้ามยาวแทงสัตว์พาหะห่อไป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 ให้เขามองเห็นพระกุยหัตฐานซึ่งเร้นอยู่ในฝักกับพระชิวหาใหญ่อัมพัทมานพคิดว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษส2สองประการครบถ้วนไม่ใช่ไม่ครบถ้วนจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมบัดนี้ข้าพเจ้าขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ขอเธอจงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดอัมพัททะทีนั้นอัมพัททะมานพได้ขึ้นรถเทียมม้าจากไปอัมพัททะมานพกลับไปรายงานพราหมณ์โอครสาติสมัยนั้นพราหมณ์โอครสาติลุกออกมานั่งคอยอัมพัททะมานพอยู่ณนะอารามของตนร้องกับคณะรา ม, มูใหญ่ อัมพัทมานกขับยานพาหนะไปทางอารามของตนจนสุดทางที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้จึงลงเดินเข้าไปหาพระปุกคะระสาติกราบแล้วนั่งอยู่ณที่สงควรพระปุกคะระสาติถามอัมพัทมานกว่าพออัมพัทเธอได้เห็นท่านพระโคดมพระองค์นั้นแล้วหรือเขาตอบว่าได้เห็นแล้วขอรับกิติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขอจรไปเป็นเช่นนั้นจริง ไม่เป็นอย่างอื่นเลยเหรอท่านพระโคดมทรงเป็ น, นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยหรอขอรับกิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยทั้งอย่างทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษสมสสองประการครบถ้วนไม่ใช่ไม่ครบถ้วนเธอได้สนทนากับพระสมณะโคดมบ้างหรือไม่ได้สนทน ok <im> ารับ <_ CI> รามปกคระสาติถามว่าเธอได้สนทนากับพระสมณะโคดมว่าอย่างไรบ้างอัมพัทธมานพจึงได้เล่าเรื่องเท่าที่ตนสนทนากับพระผู้มีพระภาคให้รามปกคระสาติทราบทุกประการเมื่ออัมพัทธมานพเล่าให้ฟังอย่างนี้รามปกคระสาติกล่าวว่าโธเอ๋ยพอบัณดิตผู้ปหูสตรทรงไตรเพศของเรา หลังจากตายแล้วคนจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกก็เพราะคนผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้เธอผู้กระทบท่านพระโคดมอย่างนี้อย่างนี้แต่กลับถูกท่านพระโคดมยกเอาพวกเราเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างนี้โธเอ๋ยพ่อบัณฑิตผู้พระหูสูตรทรงไตรเพศของเราหลังจากตายแล้วคนจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกก็เพราะคนผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้ โ, โกรธเคืองไม่พอใจจึงเตะอัมพัทธมนบจนล้มกลิ้งทั้งอยากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในเวลานั้นทีเดียวพรามโกระสาติเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพรามเหล่านั้นได้กล่าวกับพรามโกระสาติว่าวันนี้เกินเวลาที่จะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมซะแล้ว รอพรุ่งนี้ค่อยไปเถิดท่านปกระสาติต่อมาพระปกกระสาติสั่งให้จัดเรียมของขบฉันอันประนีตไว้ในนิเวศของตนแล้วขึ้นยานพาหนะเดินทางออกจากเมืองอุ ก, กัทะเมื่ อ, อยังตามคบเพลิงอยู่ขับยานพาหนะตรงไปยังราป่าอิจฉานังคละวันเมื่อเข้าไปจนสุดทางยานพาหนะจึงลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ สนทนากับพระผู้มีพระภาคบอกคุ้นเคยแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรพระปกราสาตินั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามว่าท่านพระโคดมอังพัฒมานพสิทธิ์ของข้าพเจ้าได้มาที่นี่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเขามาที่นี่พราหมณ์เขาทูลถามว่าพระองค์ได้สนทนากับเขาบ้างหรือไม่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 โปรดยกโทษให้เขาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอให้อำพัธรมนกจงมีความสุขเถิดพรามครั้งนั้นพรามปุขระสาติได้สังเกตดูลักษณะมหาบุรุษสามสิบประการในพระวรากายของพระผู้มีพระภาคได้เห็นลักษณะมหาบุรุษสามสิบสองประการโดยส่วนมากเว้นอยู่สองประการคือพระคุยหัานซึ่งเร้นอยู่ในฝกักกับพระชิวหาใหญ่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 กับพระชิวหาใหญ่พราหมณ์ปกครอสาติคิดว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษสาสองประการครบถ้วนไม่ใช่ไม่ครบถ้วนจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาฐารของข้าพเจ้าในวันนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีที่นี้พราหมณ์ปกครอสาติ ทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงกราบทูลพัตตการว่าท่านพระโกดมได้เวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตราสาวกถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของรามโกราสาติพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้รามโกราสาติ ได้นำของขบฉันอันประณีตประเกนพระผู้มีพระภาคให้ทรงอิ่มหนำด้วยตนเองและพวกมานพก็ได้ประเกนภิกษุทรงเช่นกันเมื่อพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จทรงวางพระหัตรปราปุกคราสาติจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปัภฐพีกถา คือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ำสามความเศร้าหมองแห่งกามและอา น, นิสงส์งในการออกบวชแก่พราหมโปคาระสาติซึ่งนั่งอยู่ณที่สมควรเมื่อทรงทราบว่าพราหมโภการะสาติมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กังสิกาเทศนา ในข้อนี้คือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นแสดงเองโดยไม่มีผู้ทูลอารัธนาหรือทูลถามทรงแสดงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรธรรมะจักสุอันไรทุลีคือกิเลสปราศจากมนทินหรือการบรรลุธรรมเกิดขึ้นแก่รามโกรคาราสติบนที่นั่งนั้นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมภาษิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่า ง, างๆเปรียบเหมือนบุคคลไงของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้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 เหล่านานพหรือมานวิกาในโปคระสาติระกูลจกักไหวลุกรับถวายอาสนะและน้ำจักทาจิตให้เลื่อมใสข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารามท่านกล่าวดีแล้วจบอัมพัทธสูตร